โอกาสครับถ้าจ ะ, จะเจริญพรทุกทุกท่านจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกธรรมะมันยากเพราะเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันส่วนใหญ่เราฟังธรรมะก็จะสอนจริยธรรมเป็นหลักพอถึงขั้นการปฏิบัติก็จะสอนเรื่องสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่ทำใจสงบ บางทีก็สอนให้เจริญปัญญาทมวิปัสนาแต่สภาวะจริงๆก็เป็นสมถะจนได้ขึ้นวิปัสนาไม่ค่อยเป็นหรอกหากคนที่ทํำวิปัสนาแท้ๆนะ่้ยากมากเลยถ้าหากพวกเราเคยปฏิบัตินะมาตั้งหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านดีแล้วก็เลวอะไรอย่างนี้นก็ต้องสํานึกหน่อยว่าไอ้ที่ฝึกอยู่ไม่ใช่ไม่ได้ เปิดใจลองฟังสิ่งใหม่ดูเผื่อจะใช้ได้ถ้าฟังแล้วลองทดลองดูแล้วนะผ่านไปสักสามเดือนไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยที่หลวงพ่อปรโมทสอนเนี่ยไม่ถูกกับจริตของเราก็ไปหาที่เรียนเอาใหม่ไม่ว่ากันหรอกนะเป็นทางเลือกอันหนึง่งทางเลือกก็เหมือนท่าน้ำท่าน้ำแต่ละท่าคนที้จะชอบข้ามท่านี้ก็ข้ามตรงนี้อีกคนอยากข้ามตรงอื่นก็ข้ามได้ก็ทางใครทางมัน กรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะข้ามไปแล้วไปพลมโลกก็มีข้ามไปไปเป็นเทวดาเป็นพลมข้ามไปตกนรกก็มีส่วนที่จะข้ามไปได้มักได้ผลอะไรนะั้นหายากหน่อยคือถ้าเราไม่ได้เรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนปนะฏิบัติมันเหนื่อยแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลที่ควรจะได้ ถ้าเราได้เคยได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระเทชาสอนแล้วเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นจนกระทั่งพวกเดรธีนะถึงขนาดออกปากเลยว่าอย่าไปคุยกับพระสมณาโคดมนะพระสมณาโคดมมีมนเปลี่ยนใจใครไปคุยด้วยนะใจเปลี่ยนไปเลยความจริงไม่เห็นจะน่ากลัวเลยที่ใจจะถูกเปลี่ยนใจเคยมืดเคยบอดสว่างสวยขึ้นมา ใจเคยทุกข์หนักก็ทุกข์น้อยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นบางคนก็พ้นทุกข์ไปเลยไม่เห็นมันจะน่ากลัวตรงไหนในการเปลี่ยนแปลงแบบนี้งั้นวันนี้เราลองมาฟังนะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้าเรารู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงถ้าเรารู้อย่างนี้นะแล้วก็การปฏิบัติจะไม่ออกนอกลูกนอกทาง สามารถทําไปเพื่ออะไรเราต้องประเด็นนี้ก่อนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของกายของใจของรูปนามถ้าเห็นความเป็นจริงของรูปนามแล้วมันจะได้อะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะความเกิดสิ้นแล้วความทุกข์สิ้นแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรต้องทําอีกแล้วเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น ด right? the so, ังนั้นการที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เนี่ยจุดตั้งต้นมันก็คือการเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจนี้ตามความเป็นจริงถ้าเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันจะหลุดพ้นไม่ได้มันจะยึดถือสิ่งที่เรายึดถือเดี่ยวแน่นที่สุดก็คือยึดถือตัวเราเองนี่เองยึดถือร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้คือตัวเรายึดถือจิตใจนี้ว่าเป็นจิตใจของเราเป็นตัวเรา เราก็อยากให้ร่างกายเป็นอมตะไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายแต่มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเราไปอยากในของที่มันไม่มีนะมัทุกข์ร่างกายแก่ขึ้นมาเราก็ทุรนทุรายทนไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้แต่ถ้าใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายมันต้องแก่แก่ขึ้นมามันก็ยอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์นะร่างกายต้องเจ็บ มันเจ็บขึ้นมานะเราอยอมรับความจริงตรงนี้ได้มันก็ไม่ทุกมันทุกแต่ร่างกายแต่ใจมันไม่ทุกไปด้วยอย่างบางคนไปตรวจร่างกายนะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งนะช็อกตายหลวงพ่อเคยรู้จักนะมีตกใจต า, ตายไม่ได้เป็นมะเร็งตายเลยนะเฉาชีวิตนี้เหี่ยวเฉาเศร้าซึมเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยทั้งๆที่เพิ่งเป็นขั้นต้นๆเองรักษาก็ยังได้ เนี่ยใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ยอมรับได้นะความเจ็บไข้ได้ป่วยจะอยู่ที่ร่างกายเข้ามาไม่ถึงใจหรือเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้ต้องตายถึงวันหนึ่งต้องตายทุกคนไม่มีใครไม่ตายดอกถ้ายอมรับความจริงตรงนี้ได้นะเวลาจะตายมันจะไม่ทุกข์ไม่ทรมานใจร่างกายมันกำลังจะตายไปนะใจเราไม่เกี่ยวข้องใจเรามีความสุขมีความสงบอยู่ได้ หรือเรายอมรับความจริงได้นะว่าเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจบ้างเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจบ้างเราต้องผิดหวังบ้างถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะมันจะเห็นนะเพราะเราหัดภาวนาไปมาดูความจริงในจิตใจเราจะเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวอะไรๆที่เข้ามาในใจเราก็ชั่วคราวนี่ใจมันยอมรับตรงนี้ถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่รักนะมันก็ยอมรับได้ อสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันก็อยู่โชคเราเหมือนกันเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอย่างคนที่เรารักตายไปปุัปรับนะหรือว่านอกใจเราทิ้งเราไปใจเราเคยดูของจริงในจิตในใจของเราแล้วไม่มีอะไรที่คงที่เลยทุกอย่างอยู่อเราโชคเราคนเคยรักกับเราแล้วตอนนี้มันเลิกรักไปก็ไม่เสียใจนะอย่างน้อยก็เคยรักแล้วตอนนี้หมดเวลาที่จะรักแล้วมันม่เกลียดเราไปแล้ว เราก็ยังมีความสุขนะเข้าไปแล้วก็ไปเป็นธรรมดาที่เข้ามาแล้วเขาก็ต้องไปไม่มีหรอกการพบที่ไม่มีการจากไม่มีเลยทุกคนที่ได้พบเนี่ยต้องจากกันทั้งหมดเลยที่นั่งอยู่ด้วยกันทุกวันนี้นะหรืออยู่ในบ้านเดียวกันในครอบครัวเดียวกันถึงจุดหนึ่งก็ต้องจากกันทั้งหมดเลยนี่ถ้าใจมันยอมรับความจริงได้นะเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์มันเรื่องธรรมดานี่เราจะฝึกจิตฝึกใจนะ ให้ให้เรามาเห็นความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้ใจมันจะไม่ทุกข์งั้นจุดหมายปลายทางนะก็คือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงจะไม่ทุกข์ความทุกข์จะเหลือแต่ตั้งกายแต่ใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปวิธีปฏิบัติวิธีที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์ในนี้ก็คือการมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจงใจนต่อไปหลวงพ่จะพูดถึงวิธีที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจ ธรรมะของพระพุทธเจ้านะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลทั้งหมดเลยจะทําอะไรนีจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องชัดจะทําเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะทําอย่างไรมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะวิธีละ่ะวิธีปฏิบัตินะจะทําอะไรก็คือมาเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวิธีที่จะเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไร พวกเราทุกคนมีร่างกายอยู่แล้วพวกเราทุกคนมีจิตใจอยู่แล้วที่ผ่านมานะถ้าเราจะรู้กายจะรู้ใจเราก็รู้ได้แต่เราลาเลยที่จะรู้เราไม่สนใจเรารักกายรักใจของเรามากที่สุดนะอะไรเกี่ยวหนามาเกี่ยวนิดหนึ่งเราก็กลุ่มใจแล้วนะตีนกาขึ้นสัก ง, งานก็กลุ้มใจผมงอกสักเส้นหนึ่งนะยังไม่เคยงอกเลยผมงอกขึ้นมาก็กลุ้มใจพวกเราในห้องนี้ใครมีผมงอกแล้วบ้างยกมือให้ดูหน่อยเห็นไหมมีไหม เรากระหันนะบางคนนะผมเต็มหัวเลยไม่ยอมยกอะ่ะ <c oughs> ยอมรับไม่ได้ <c oughs> จาได้ไหมผมงอกเส้นแรกรู้สึกยังไงสดชื่นไหมโอ้ผมงอกดีจังเลยม่เปลี่ยนเลยยอมรับไม่ได้จะแก่เนี่ยเรามาเรียนรู้นะต่อไป น, นี้หลวงพ่อก็จะสอนศาสตร์แห่งการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเอง ใจนี้ใจนี้พวกเรามีอยู่แล้วรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เราละเลยอัตโนมัติเลยยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเราขับรถอยู่อย่งเชียงใหม่เนี่ยรถเยอะนะน้องๆกรุงเทพแน่ะขับรถกันมารยาทก็ดีบ้างร้ายบ้างเป็นปกตินิสัยคนไทยอย่างนี้แหละมนุษย์ป้าบางคนก็อายุน้อยนะที่หลวเพ่อเห็นตามถนนเนี่ยขับรถเอาเปรียบคนอื่นเ้าบอกเป็นมนุษย์ป้านะ เด็กๆแท้ๆเลยก็มีพฤติกรรมอย่ามาโทษป้าเลยเวลาเราเห็นคนขับรถปาดหน้าเราเนี้ยเราโกรธโกรธไหมเราดูอะไรเวลาคนขับรถปาดหน้าเราแล้วเราเกิดความรู้สึกโกรธเราดูไอ้คนที่ขับรถปาดหน้าเรานึกออกไหมเราไม่ดูใจกำลังโกรธเนี่ยไม่ดูหรอกถ้าจะดูจะดูได้ไหมว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่ดูก็ดูได้ไม่เห็นจะยากอะไรเลย มันละเลยที่จะดูเวลาได้ยินเสียงสมมติว่าไปฟังนะได้ยินเสียงเพลงสนใจเสียงเพลงเราไม่สนใจตัวเองขณะนั้นเราก็ไม่สนใจตัวเองนะเวลาเราได้กลิน่นเราสนใจให้กลิ่นอะไรนะสมมติว่าได้กลิ่นเน่าๆอยู่ในบ้านนะใจเรากังวลขึ้นมายเงี้ยตัวอะไรมาตายในบ้านใจมันกงนังวลเราไม่ดูที่ใจที่กังวลหรอกเราจะไปเที่ยวดูตัวอะไรมาตายอยู่ที่ไหนไปหาว่ากลิ่นมันมาจากไหน นี่เราจะเที่ยวหาออกไปข้างนอกถ้าเราแค่ย้อนกลับม า, เ ร, าเรียนรู้ตัวเองมาดูตัวเองเราก็ทําได้แต่เราไม่ทําเพราะว่าธรรมชาติของเราเคยชินที่จะดูคนอื่นดูสิ่งอื่นไม่ดูตัวเองตื่นนอนมาเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นนะถ้าคิดถึงตัวเองก็จะคิดถึงตัวเองในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเราทิ้งตัวเองในปัจจุบันไปนกายใจนี้มันมีอยู่เฉพาะในปัจจุบันนี้นะ ในอดีตกายใจของเราในอดีตไม่มีแล้วกายใจของเราในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นกายใจของเราจริงๆอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเราั้นเราต้องคอยรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันนะถ้าตาเรามองเห็นใจเราเป็นยังไงเราก็คอยรู้เอาเห็นคนนี้ใจเราชอบเห็นคนนี้ใจเราเกลียดก็รู้ทันใจที่ชอบใจที่เกลียดเอานะใครเป็นพยาบาลบ้างในนี้มีไหมพยาบาลนะเวลาเห็นคนใข่ แต่ละคนนะรู้สึกไหมคนไข้แต่ละคนที่เราเห็นเรารู้สึกไม่เหมือนกันคนไข้บางคนนะเห็นเราก็ชอบหน้าละบางคนนะเห็นเราก็รู้เลยลักษณะเนี้ยจู้จี้ขี้บน่นเอาแต่ใจเอาเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆ ท, ที่ไม่มีปัญญาอะไรสักเรื่องเนี่ยเราจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเลยนะเราจะสนใจคนอื่นเราไม่ดูว่าตอนนี้นใจเรากําลังชอบหรือ ใ, ใจเรากําลังเกลียดเรามอาแต่ดูคนที่เราชอบคนที่เราเกลียด อย่างเวลาเราเดินไปเห็นคนสวยใจเราชอบนะใครเห็นสาวสวยแล้วชอบบ้างยกมือซิแต่พราไม่ต้องนะถึงจะจริงก็อย่ายกนมันน่าเกลียดสังคมยอมรับไม่ได้ <c oughs> มีไหมเมื่อกี้มีผู้หญิงยกด้วยนะเห็นสาวสวยแล้วใจชอบผู้หญิงยกก่อนเลยซื่อตรงจริงๆเลยน ะ, นะเวลาที่เราชอบเนี่ยเราเห็นคนสวยใจเราชอบเนี่ยเราจะดูคนสวยใช่ไหม เราไม่ดูว่าใจกำลังชอบแค่นี้เองอะ่ะเราละทิ้งที่จะดูตัวเองนะเราไม่สนใจที่จะดูตัวเองถ้าเราแค่ให้ความสนใจแค่เราใส่ใจสะหน่อยนะคอยรู้สึกอยู่ที่ตัวเองเราก็จะดูตัวเองได้ดูก็ดูได้ทุกคนรู้จักโลภไหมโลภความโลภอยากโน้นอยากนี่อยากบ่อยไมมวันวันหนึ่งอยากฟังเทศได้ฟังเทศสักพักอยากกลับบ้าน บางคนก็อยากฟังเทศถามวาทำไ ม, มเมื่อวานก็ไปที่ลำปางเทศที่โรงบาบาลบางคนก็มาฟังมาเต็มห้องเหมือนกันนะห้องโตกว่า น, นี้อีกคนเยอะเลยไม่ได้สนใจดูโงเ่เฮงแล้วนะไม่สนใจธรรมะหรอกแต่มานั่งฟังเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องทำงานแม <laughs> หมน้าตีแนบนีน้อย่างตอนนี้ขารู้สึกัหม ขำก็รู้ว่าขำใช่เนี่ยแค่นี้เองคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปคอยรู้ทันร่างกายของตัวเองไปลองยกมือสิหลับตาหลับตาหลับตานะแล้วยองยกมือแล้วมือลงเอามือขึ้นขึ้ น, นลงลงรู้สึกไหมมือมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูเนี่ยเราจะรู้สึกในร่างกายเราก็รู้สึกได้เอ า, ม, ามือนิ่งๆได้ละบางคนเริ่มจะไปป่ายคนข้างๆลองยิ้มหวาน ยิ้มซียิ้มหวานหวายิ้มให้สวยที่สุดในชีวิตเลยนะเหมือนแฟนบอกรักเราครั้งแรกยิ้มหวานนะเห็นร่างกายยิ้มไหมเรารู้ด้วยความรู้สึกนะร่างกายมันยิ้มเนี่ยรู้สึกพยักหน้าซีพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้ารู้สึกออกแม้เราจะรู้สึกในร่างกายเราก็รู้สึกได้นะเราจะรู้สึกในจิตใจเราก็รู้สึกได้ขณะนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือซีขณะนี้ใครมีความทุกข์บ้างยกมือซี ไม่ต้องเกรงใจนะขณะนี้ใครเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกยกมอมเกิดซีท า, าไมตอบได้เพราะว่ารู้ใช่ไหมมีความสุขเราก็รู้จักมีความทุกเราก็รู้จักเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกเราก็รู้จักต่อไปนี้แทนที่จะปล่อยให้ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแบบเราไม่รู้เรื่องนะค่อยรู้ทันมันแค่นี้เองคอยรู้ทันมั น, น, ร, น, มนรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหมโกรธ เมื่อกี้ถามโลภใช่ไหมนี่โกรธก็เป็นใครเคยอิจชาบ้างยกมือเสใครเคยอิจชานี่พระก็อิจชา้ากันนะสาธุไม่โกหกถ้าพระไม่ยอมยกนี่นะหลวงพ่อไม่เชื่อหรือว่าศีลครบศีลข้อสีต้องหายไปแล้ว น, นี่อิจชาเราก็รู้จักใช่ไหมความรู้สึกทุกชนิดเลยเซงรู้จักเซงไหม เซงกับเบื่อเหมือนกันไหม mm hmm. ดีกรีมันต่างกัน mm hmm. เซงเบื่อท้อแท้ท้อแท้เป็นไหมเลี่ยนอะเลี่ยนความรู้สึกเลี่ยนไม่อยากเจอเห็นรักสะีดสีเอียนอะไรเงี้ยความรู้สึกทุกชนิดเราก็รู้จักใช่ไหมร่างกายของเราจะเป็นยังไงเราก็รู้จักร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมนะเอายิ้มหวาน เห็นร่างกายยิ้มนะเห็นร่างกายยิ้มพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้ารู้สึกได้แค่นี้แหละหัดรู้สึกไปสบายๆอย่างนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดใหม่ๆอาจจะดูเป็นวันๆไปแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันรู้สึกไหมบางวันสดชื่นบางวันก็เซ็งใช่ไหมบางวันก็เครียด แต่ละวันไม่เหมือนกันพอดูแต่ละวันได้เราก็ดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราก็ไม่เหมือนกันบางทีเชา้ชาเช้าสดชื่นนะสายสายไปเจอคนคนนี้เขาอารมณ์เสียไปแล้วนะคลุ้มคลั่งไปละตอนบ่ายไปเจอเพื่อนถูกใจฮนะอารมณ์ดีอีกแล้วใจเราก็แขว่งทั้งวันนะเราค่อยๆหัดดูไปหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปทีแรกเราดูหยาบหยบ บางคนก็เริ่มอยาบๆก่อนแต่ละวันใจเราไม่เหมือนกันถ้าดูละเอียดขึ้นมาก็คือเช้าสายบ่ายเย็นในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันถ้าดูละเอียดขึ้นมาแต่ละขณะไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นใจเราก็เปลี่ยนอย่างเห็นของที่ชอบเห็นของที่ไม่ชอบเห็นของสวยเห็นของน่าเกลียดเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนได้ยินเสียงความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนได้ยินเสียงสมมติว่าเรากาลังรอโทรศัพท์ จากเพื่อนเราสักคนมีธุระ ส, สาคัญหรือจากญาติเรารอโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์มานะดีใจว่าโทรศัพท์มาละค ว, ว้าขึ้นมากลายเป็นคนอื่นพูดมาจากดีใจนะกลายเป็นลาคาญอพูดอะไรไม่รู้จากกาักราตรีษาพูดไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้นะจากดีใจใช่ไหมเปลี่ยนทีแรกรออยู่กระวนกระวายเมื่อไหร่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์พอโทรศัพท์มาดีใจอา้าวไอ้คนที่พูดไม่ใช่คนที่เราอยากติดต่อด้วยเป็นลาคาญแทน ใ, ใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะให้คอยรู้เอารู้ก็รู้ได้ที่ผ่านมาไม่รู้เพราะว่าละเลยเท่านั้นเองนะต่อไปนี้คอยหักรู้เอานะแล้วเราจะพบอะไรเราจะพบว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะมจะเห็นเห็นด้วยตัวเองไม่จะเห็นยังไงเวลาเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเนี่ยเอาลองทําใจสบายยิ้มหวานก่อน ทำไมหลวงพ่อชอบให้ยิ้มหวานเวลายิ้มแล้วใจเราผ่อนคลายใจที่ผ่อนคลายใจที่มีความสุขเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของสมาธิไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในอภิธรรมสอนเลยบอกความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นเราทําใจให้สบายยิ้มหวานมีความสุขนะสังเกตดูพระพุทธรูปยิ้มทุกองค์เลยนะไม่ค่อยหน้าบึง้งเจอไม่มีพระหน้าบึง้งมีเหมือนกันมันปั้นไม่เป็น นะมันจะปั้นให้ยิ้มหวานนะปั้นออกมาแล้วหน้าบึ้มเ <c oughs> เรามีความสุขมีความผ่อนคลายาใจเราคลายแล้วคราวนี้ลองสังเกตที่ร่างกายเห็นร่างกายเราเองไหมตอนนี้รู้สึกเป็นทั่วๆ่วตัวรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายมันหายใจไหมเห็นร่างกายมันหายใจเรารู้ตัวอยู่อย่างสบายๆร่างกายกาลังหายใจอยู่นะนี่รู้สึกไป รู้สึกเครื่องเครียดเกินไปนะเครื่องเครียดไปใช้ไม่ได้นะต้องรู้สึกแบบสบายใจนะหายใจมาละเอียดไปนะเราขยับมือสิขยับอย่างนี้เห็นร่างกายมันขยับไหมนะใจเราอยู่ต่างหากนะใจเราเป็นคนดูนะให้รู้สึกไปเนื้อหัดรู้สึกในร่างกายนะรู้สึกสบา ย, บายแล้วเราจะเกิดความรู้สึกอันหนึ่งนะร่างกายนี้เหมือนเปลือก เหมือนถ้าเหมือนโปรงอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่จิตมันอาศัยอยู่ข้างในนะร่างกายอนะไรยิ่งถ้าเรานั่งหายใจอยู่เราเห็นร่างกายหายใจเราดูซิเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมหายใจนะถ้าดูที่ลมหายใจนะใจจะขมวดเครียดขึ้นมาเลยให้ดูร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจไปหรือไม่ดูร่างกายหายใจก็เห็นร่างกายขยับมือรู้สึกไหมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไปรู้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันเข้านะค่อยๆฝึกไปทุกวันลองอยู่บ้านบ้า ง, างก็ลองซ้อมนะ e r c i s e ์ช่วยให้ข้อไม่ติดด้วยนะดีะดีข้อมันได้ขยับขยับน ะ, น ะ, นะยังขยับจนกระทั่งเพลินอย่างนี้ น, ะ, นะขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกนะเห็นนาร่างกายมันหัวเราะร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งมันเหมือนมีคนคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่ นะไอ้คนดูนั่นแหละคือจิตของเราเองจิตกับกายเนะ่ยคนละอันกันนะร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนจิตเป็นคนดนะูแล้วหัดดูต่อไปอีกอย่างเวลาเรานั่งนานๆมันเมื่อยเมื่อยยังใครนั่งแล้วยังไม่ได้ขยับตัวเลยมีไหม ย, ยกมือให้ดูซิมีไหมไม่มีเลยนะนั่งแล้วขยับตลอดเลยใช่ไหมใช่หลวพ่ายังขยับเลยมันเมื่อยอ่ะ แทนที่พอเมื่อยปุ um. you, ๊บขยับตัวปั๊บนะเราไม่เก่งอ่ะเราเอาความเมื่อยมาฝึกกรรมฐานเรานั่งอยู่นะร่างกายสบายเราเห็นร่างกายนั่งอยู่ร่างกายสบายความเมื่อยเกิดขึ้นเราเห็นเลยว่าความเมื่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนความเมื่อยมันมาทีหลังความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันนะหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจก็เหมือนกันนะมันเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามา ใจเราเป็นคนรู้อยู่นะแล้วเดี๋ยวความสุขมันก็เกิดขึ้นมามันไปรู้เรื่องนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ความสุขความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานมาเป็นคราวๆแล้วก็หายไปมาชั่วคราวแล้วก็หายไปทั้งสุขก็อยู่ชั่วคราวทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราก็จะเห็นนะว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะไม่ใช่ร่างกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่จิตใจค่อยๆฝึกค่อยๆแยกไป แล้วต่อไปเราก็แยกให้ละเอียดขึ้นไปอีกบางคนไม่ถนัดนะจะดูกายไม่ถนัดจะดูความสุขทุกข์คนบางคนใขี้โมโ ห, โหถ้าขี้โมโหเราก็เอาขี้โมโหนี่แหละเอาความโมโหนี่แหละมาทํากรรมฐานเวลาใจเราเป็นโมโห ข, ขึ้นมาให้รู้ทันนะตอนนี้ใครส่งจิตไปที่อื่นบ้างเห็นเก่งไหมสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจตนเองอย่างที่หลวงพ่อบอกเปรียบเลยใช่ไหมแค่มีคนเดินมานะ เราอยากดูนะหันมากเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเห็นไหมใจเรามันจะสนใจคนอื่นนะมันไม่เห็นว่าใจกำลังอยากดูเนี่ยมันไม่เห็นตรงนี้มันมันอยากดูดูดูหลวงพ่อเผลอแล้วเว้ยหันไปทางโน้นเลยนะเนี่ยหัวเราะมีความสุขรู้สึกไหมรู้สิดูไปความสุขนี้คงที่ไหมลังเกตดู เห็นไหมมันเปลี่ยนมันเริ่มนิ่งใช่หไหมความสุขค่อยๆเปลี่ยนเป็นอูเบกขานะเดี๋ยวพอได้กระทบอารมณ์ใหม่ก็เกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาเกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างดูสุขดูทุกข์ได้ก็ดูสุขดูทุกข์ไปก็จะเห็นเลจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าเห็นได้3มอย่างนี้นะก็คลุ่มจิตทุกชนิดละ พระจิตทุกชนิดนะ่ะถ้าไม่สุขก็ทุกไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกก็เฉยก็มีเท่านั้นเองถ้าเราเห็นจิตที่สุขเราเห็นจิตที่ทุกเราเห็นจิตที่เฉยได้เราเห็นจิตได้ทุกชนิดละนี้บางคนดูตรงนี้ยังไม่เป็นดูไม่ถนัดนะอย่างพวกขี้โมโหเงี้ยขี้โมโหเราเอาโมโหมาทํากรรมฐานเลยนะเวลาใจโมโหขึ้นมาเรารู้ทันตรงที่รู้ทันว่าโมโหเนะี่ยความโมโหจะดับอัตโนมัตินะจิตมันจะมีอยู่คู่ทุกคู่หนึ่ง อย่างที่พระเจ้าสอนดูกรากอิสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเห็น ไ, ไหมง่ายๆอย่างนี้เองคนไหนขี้โมโหมันโมโหขึ้นมาละรู้ทันอ้ามันหายโมโหแล้วรู้ทันฝึกอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นเลยว่าจิตที่โมโหกับจิตที่ไม่โมโหเนะ่ยเกิดแล้วก็ดับจิตนะมีอยู่สองชนิดเองคือจิตที่โมโหกับจิตที่ไม่โมโหนะจิตบางคนไหนขี้โลภ เราก็ดูจิตโลภไปดูกราภิกสูั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะไหมจิตมี2ชนิดเองคือจิตโลภกับจิตไม่โลภจิตไม่โลภนี่เป็นจิตอะไรได้บ้างเป็นจิตโกรธก็ได้เห็นไหมเป็นจิตอย่างอื่นก็ได้งั้นเราจะดูนะถ้าเราดูง่ายๆเลยนะจิตเป็นสุขเราก็รู้จิตเป็นทุกข์เราก็รู้จิตเฉยๆเราก็รู้แค่นี้ดูได้ทั้งวันละมีทั้งวัน นะจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ดูได้ทั้งวันละเตอนเนี้ยนะมันก็หมุนเวียนกันอยู่แค่นั้นเองไม่ดีไม่ชั่วก็เฉยเฉยเฉยเฉยจิตบางอย่างไม่ดีไม่ชั่วนะไม่มีคุณสมบัติของดีและชั่วอย่างเวลาที่เรามองเห็นในขณะที่เรามองเห็นนะขณะนั้นไม่มีดีมีชั่วการเห็นตัวนั้นเขาเรียกว่าวิบากเป็นวิบากจิต มันเห็นไปอย่างนั้นเองมันไม่มีความรู้สึกดีหรือชั่วเกิดขึ้นไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นด้วยในขณะที่ตามองเห็นนะแต่พอตามองเห็นแล้วเราแปลความหมายนะพอตามองเห็นนะขณะที่มองเห็นเนี่ยนะไม่มีดีมีชั่วไม่มีสุขมีทุกข์มันเฉยเยนะแต่ว่ามันจะส่งสัญญาณมาที่ใจมันจะเริ่มแปลว่านี้มันคือรูปคนนี้นะนี่คือรูปของคนนี้คนนี้กลาลังมาแล้วนะ ตอนนี้แหละมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วตามมาเพราะในขณะที่เห็นน่นนะไม่มีดีมีชั่วไม่มีสุขมีทุกข์นะมันเป็นกลางกลางในขณะที่ได้ยินก็เหมือนกันนะไม่มีสุขมีทุกข์นะไม่มีดีมีชั่วในขณะที่ได้กลิ่นในขณะที่ลิ้นกระทบกับรสไม่มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วสุขทุกข์ดีชั่วนั้นเกิดจากการแปลความในภายหลัง จิตมันทำงานต่อเนื่องมาแล้วก็แปลอย่ยงพรมันมองเห็นขณะที่มองเห็นพวกเราเคยไหมอย่างเราหันไปปุ๊บมันยังไม่ทันแปลความว่ามันเห็นอะไรเคยไหมลองหลับตาสิทุกคนลองหลับตานะเราจทดสอบแล้วลองหันไปทางอื่นหันไปจากมุมเดิมที่เรามองอยู่แล้วลืมตาขึ้นสังเกตไหมในขณะที่เห็นครั้งแรกยังไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วมันมาแปลความหมายที่หลัง นั้นจิต ท, ที่เห็นเนี่ยไม่มีดีมีชั่วนะจิต ท, ที่เห็นเนี่ยเป็นวิบากจิตเราทำกรรมดีมาลืมตามาจเจอะแต่ของดีของน่าดูเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลน ล, ลืมตามาเจอของไม่ดีนะอันนี้เราก็เลือกไม่ได้ว่าลืมตาขึ้นมาเราจะเห็นของดีหรือของไม่ดีเคยเห็นรถชนกันตามถนนไหมเวลารถชนกันที่ดูหนักๆ ห, หน่อยอะนะอาจจะมีคนตายได้เคยเจอห ระหวัดเสียวใช่ไหมอยากดูก็อยากนะดูแล้วก็กลัวเจอศพกลัวไหมบางคนนะอยากดูก็กลัวเจอศพด้วยนะดูแอบดูดูไม่อยากก็มีอีกคนหนึ่งหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะไม่ดูปรากฏเขายกศพลงไว้ทางนี้แล้ว <laughs> จ้าเอ๋ลืมตาให้วันเจอพอดีเลยเนี่ยตาจะเห็นสิ่งที่ดีหรือเลวนะเป็นผลของวิบากนะเป็นผลของกรรมเก่า แล้วขณะที่ตามองเห็นขณะที่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยไม่มีดีมีชั่วนะขณะที่ร่างกายกระทบสัมผัสเนี่ยไม่มีดีมีชั่วแต่กระทบไปแล้วเนี่ยมันจะแปลความสมมติเรานั่งๆอยู่เนี่ยมีคนมาตบตรงนี้ปุ๊บนะกําลังเมื่ออยู่ตบชอบใจได้เลยนะปรากฏหันไปดูทีแรกมันมากระทบเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรยังไม่โมโหนะหันไปดูอู้สัตว์เรามันแกล้งเนี่ยมานะ ที่จริงมันจะมาคืนดีกับเรามาสกิดเรานะเราไปเห็นไว้ก็โทรศัพท์ก็ขึ้นแล้วมันแปลความหมายแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเขาแกล้งมากระแทกเราเนี่ยอยู่ที่แปลความหมายนะโทรศัพท์ก็ขึ้นถ้าแปลความหมายว่าเนี่ยเขาจะมาของ้อเรานะบาแหมชวนงาะเงี้ยนะโทรศัไม่ขึ้นเนี่ยความรู้สึกที่ดีที่ชั่วนะมันมาเกิดทีหลังเกิดจากการแปลความนะงั้นเวลาที่ตาเราเห็ น, นใจเราเป็นกลางๆ นะหูได้ยินเสียงใจก็กลางๆจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ร้อยกายกระทบสัมผัสใจเป็นกลางๆแต่เวลาใจกระทบอารมณ์นะมันจะมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเกิดขึ้นนะเวลาเรานะนึกถึงใครสักคนหนึ่งยืนทอยู่หน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาโทรศขึ้นเลยนะไม่ต้อง ว, นะอดวดดิวเลยนะขึ้นอัตโนมัติรวดเดียวเลยเนี่ยสังเกตไปนะแต่ว่าตัวนี้มันจะละเอียดละเอียดเกินไปสาหรับคนหัดใหม่ คนทันใหม่หลวงพ่อแนะนำมาง่ายๆเลย um. ขี้โมโหก็เห็นว่าเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายฝึกแค่นี้แหละที่โลภก็ดูไปเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายไม่โลภล้เดี๋ยวก็โลภใหม่โลภเรื่องอื่นเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี้ก็รู้ทันมันใจอยากขึ้นมันก็รู้ทันนะใจหายอยากเราก็รู้ทันมันคนไหนฟุ้งซ่านก็รู้ทันไปจิตกำลังฟุ้งซ่านแลรู้ทันมัน มันก็จะหายฟุง้งซ่านมันสงบลงมานะถ้าดูพวกนี้ยากก็ดูสุขดูทุกสุขทุกก็ดูง่ายความสุขพวกเราก็รู้จักแล้วความใจมีความสุขเรารู้พระจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้จิตที่มีความทุกข์มีความสุขอะไรอยู่ชั่วคราวหายหมดอ่ะนะทุกอย่างมันจะเกิดแล้วก็ ด, ดับไปดับไปหัดดูบ่อยๆ ดูบ่อยๆเพื่ออะไรเราจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่เนี่ยมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเป็นแค่วัตถุนะเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วขับถ่ายอะไรนะเป็นวัตถุเท่านั้นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นเปลือกเป็นโครงที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งมันไม่ได้ สั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้สั่งอะไรมันไม่ได้สักอย่างเนี่ยการที่เรามามีสติคอยรู้อยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นเลยเราสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้จริงนะสั่งไม่ให้แก่มันก็แก่สั่งไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บสั่งไม่ให้ตายมันก็ตายเนี่ยเฝ้าดูไปสั่งว่าอย่าเมื่อยมัก็เมื่อยนะอย่าหิวมันก็หิวใช่ไหมบางคนชอบของอร่อยกินแล้วไม่อยากให้อิ่มเคยมีบ้างไหม ถ้าพวกที่ไม่อยากให้อิ่มเนี่ยนะโหต้องกินเก่งมากเลยไม่อยากให้อิ่มยังชอบอยากกินอีกนะหิวเคยหิวไหมเคยหิวมีเงินบางทีก็หิวนะไม่รู้จะไปซื้ออะไรบางครั้งนะเวลาหิวเราสั่งได้ไหมจงใหญ่หิวสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เนะนี่ยดูลงมาในร่างกายนะเราสั่งมันไม่ได้จริงหรอกนะมันเหมือนจะเชื่อฟังเราแต่มันไม่เชื่อ สั่งเล็กๆน้อยๆอยมันก็ยอมนะสั่งอะไรที่มันไม่ไม่ยอมรับไม่ได้มันก็ไม่เอาหรอกจะดูไปเรื่ยนะมันไม่ใช่ตัวเรานมันเป็นสิ่งที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวถึงวันหนึ่งเราต้องคืนมันให้เจ้าของไปใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้นะไม่ใช่นายนั้นนางนี้นางสาวนั้ น, นเด็กหญิงเด็กชายนั้นไม่ใช่เจ้าของถึงวันหนึ่งเราต้องคืนเจ้าของไปนะ ร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นวัตถุธาตุเรายืมมาจากชาวโลกยืมมาจากโลกนะเป็นสมบัติของโลกถึงวันหนึงต้องคืนวัตถุที่มาประกอบเป็นร่างกายเราเนี่ยก่อนที่มันจะมาอยู่กับเราเนี่ยมันอาจจะเคยเป็นร่างกายของหมาของแมวมาแล้วก็ได้อย่างแมวมันตายหมามันตายนะเขาไปทิ้งไว้ต้นไม้มันก็กระโดดขึ้นไปใช่ไหม ต้นไม้มันดูดขึ้นไปสัตว์ไปกินต้นไม้เราไปกินสัตว์ธาตุมันก็หมุนไปแลกวเายืมวัตถุของโลกมาใช้นะถึงวันนึงเราคืนโลกไปพอเราเห็นความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายนี้อยู่ได้ไม่นานร่างกายนี้ไม่นานต้องคืนเจ้าของไปนะถ้ามันแก่ก็ไม่เห็นเป็นไรมันถึงเวลาใกล้เวลาจะต้องคืนแล้วมันเจ็บมันแสดงอาการที่ทวงคืนแะ มันตายนี่มันทวงเอาไปเรียบร้อยแล้วนะดูลงไปเรื่อยต่อไปมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายใจจะไม่หวั่นไหวรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดายืมเข้ามาใช้เขาจะเอาคืนนะหรือจิตใจเราเนี่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราเห็นมาแล้วเนี่ยเราเคยหัดดูของจริงมาตลอดเวลาว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราว งั้นต่อไปเวลาเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยเราก็ไม่หวั่นไหวความสุขอันนี้ที่ได้อยู่ได้กันเนี่ยก็เป็นของชั่วคราวถึงเวลาที่มันต้องจากกันแล้วเป็นเรื่องธรรมดาหรือเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เจอสมมติว่าปีนี้ร้อนจัดกวันเต็มเมืองเลยเราไม่ชอบเมืองเชียงใหม่นี่ควันเยอะใช่ไหมใครอยู่มานานๆจะรู้สึกเ่าโอ้อากาศไม่ค่อยดีนะหน้าหนาวก็ หนาวมากหน้าร้อนกวนก็เยอะหน้าฝ น, นากม็มืดมืดมัวมัวธรรมดาเนี่ยส่สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นแผ่นดินไหวแผ่นดินไห ว, ไ ห, วห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้กลัวแผ่นดินไหวทุกไหมยังไม่ทันไหวทุกแล้ว <c oughs> กลัวมันไหวยังก็ห้ามมันได้นยะ ่ถ้าใจเรารู้นะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคร้าวนะชีวิตนี้อย่างของชั่วคราวเลยแจมจะสบายแจมจะมีความสุขเพราะฉะนั้นหัดดูไว้นะหัดดูกายหัดดูใจของตัวเองบ่อยๆดูไปแล้ ว, วันหนึ่งมันยอมรับความจริงขึ้นมาได้ต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่หวั่นไหวจิตใจจะสมหวังจะผิดหวังจะเจอสิ่งที่ไม่ไม่รักจะพลัดพลาดจากสิ่งที่รัก ก็ไม่เป็นไรนะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเจอของที่ไม่ชอบใจพวกเรามีเพื่อนร่วมงานที่เราไม่ชอบบ้างไหมเราไม่ได้เชิญมาใช่ไหมมันมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันเองอะ <c oughs> ไล่มันก็ไม่ไปใช่ไหมนะมันต้องอยู่ด้วยกันะนะถ้าเราเคยภาวนาแนละ้วเห็นเป็นชั่วคราวนะเดี๋ยวก็เสียหน้าต่างคนต่างก็ไปนะแป๊บเดียวก็กเกษียณแล้วล่ะนะชีวิตนี้สั้นนิดเดียว บาทีเขาก็ย้ายไปเขาไม่ย้ายเราทนไม่ไหวจริงเราก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นนะนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยถ้าใจมันได้เคยเห็นความจริงแล้วนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะไม่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากนะเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่หลวงพ่อสอนในวันนี้คือศาสตร์ที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ศนะาสตรของพุทธเจ้าหลวงพ่อสอนแล้วนะว่าเป้าหมายสูงสุดเราไม่ทุกข์เราทําเพื่ออะไรเพื่อแบบจะไม่ทุกข์ ทำอะไรเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจทําอย่างไรก็คอยดูกายดูใจบ่อยๆอย่าใจลอยอย่าลืมมันไปเท่านั้นแหละคอยรู้สึกอยู่ที่กายด้วยที่ใจบ่อยๆพอเรารู้สึกอยู่ในกายหรือในใจบ่อยๆเราก็เห็นความจริงของมันนะเห็นความเป็นจริงแล้วใจก็คลายความยึดถือออกไปนะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในกายก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่ทุกข์ใจเราก็พ้นจากความทุกขนะ์นี่เป็นศาสตร์ เพื่อความทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนไว้วันนี้หลวงพ่อมาสอนแบบแอพพลายนิดหนึ่งให้ง่ายหน่อยเพราะมีคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อประมาณสี่สิบเอร์เซ็นตะเยอะไปนะบางที่เนี่ยหาคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อหายากมากเลยนะที่นี่ยังมีไปฟังซีดีเอานะหรือฟัง YouTube อะไรก็ได้มีให้ฟังเยอะแยะเลยนะถ้าใครไม่มีก็กโทรศัพท์ไปขอเอาได้นะ มีคนแจกเยอะแยะไปทำแจกกันไม่ได้มีขายนะไม่ได้ทำขายแต่หลังๆเนี่ยมีคนมาขอหนะังสือหลวงพ่อไปพิมพ์ขายก็มีขายถูกๆแล้วมีเงินกำไรนะเขาเอาไปให้โรงพยาบาลมีหลายหลายเจ้าเขาทำกันอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นวิธีที่ว่าธรรมะจะได้กว้างขวางออกไป อย่างถ้าไปที่วัดหลวงพ่อก็มีแจกให้นะหรือมีจุดที่แจกหนังสือแจกสื่อให้เราเดินเข้าไปก็เอามาได้ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะแต่ถ้าเขาว่างขายก็ไปซื้อเสียตังคนะ์แต่บางคนไม่เคยเข้าวัดเข้าแต่ร้านหนังสือไปเจอหนังสือหลวงพ่อก็นะไปซื้อมาอ่านถ้าไม่ซื้อจะไม่อ่านหนะันงสือแจกเนี่ยนะอาภัพมากเลย แสกเก็บไว้เต็มบ้านเลยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวไว้ว่ า, างๆจะอ่านชาติหน้าว่างชาินี้ยังไม่ว่างแต่ถ้าไปซื้อมาแพงๆต้องต้งพยายามอ่านหน่อยนะน่าจะให้เขาขึ้นราคานเะนี่ยเราไปดูนะไปดูไปฟังเอาในอินเทอร์เนต็ตนะมีโหลดฟรีๆไม่เสียสตังค์หรอกแล้วไปฟังบ่อยๆจนะรู้วิธีปฏิบัต ถ้ารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราจะพบว่าในเวลาไม่นานเราเปลี่ยนบางคนใช้เวลาเดือนเดียวนะฟังซีดีเดือนเดียวท่านะชีวิตจิตใจเปลี่ยนซะแล้วหน้าตาเนี่ยนะเคยหงีกอย่างนี้นะนางกวักแต่กวักแบบนี้เจอใครก็เป็นนางกวัก <c oughs> มันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนหน้าตามันเบิกบานบางคนน่าจะค้าขายนะ ซื้อนางกวักซื้อแมวกวักนางกวักในของไทยไม่พอแล้วต้องเอาของญี่ปุ่นเอาแมวกวักนางกวักมือขวาใช่ไหมแต่เดิมแมวกวักมือซ้ายคนไทยพัฒนานางกวักสองมือนะเคยเห็นไหมคล้ายๆปอบหยิบเข้าไปทุกทีแล้วกวักสองมือแล้วนางกวักรุ่นหลังๆนี้อ้วนขึ้นเรื่อยๆทําไมนางกวักหลังๆนี้ยิ่งทําตัวยิ่งอ้วนขึ้นเรื่อยๆก็มันนั่งกวักนานนะมันไม่ได้เดินนะ บางคนเราทํานางกวักโอ้ยตัวกลมมากเลยไม่มีประโยชน์หรอกถ้าหน้าเราไปกวักอย่างนี้นะนางกวักมันสู้เราไม่ได้หรอกลูกค้ากลัวถ้าใจเรามีสติมีสมาธินะมีปัญญาเราไม่เห็นแก่ตัวอะไรเนี่ยนะมันเป็นนางกวักในตัวของมันเองอยู่แล้วใครเข้าก็อยากเข้าใกล้เราเข้าเข้าใกล้เราเรามีความสุขไม่รู้สึกว่าจะถูกโกงใช่อย่างนั้นเขาเข้ามาหาเราเองเนี่เราฝึกนะฝึก ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากในประโยชน์อย่างโรคๆก็ได้ทํามาค้าขายอะไรก็ทําได้ดีกระทั่งเรื่องอุบัติเหตุก็ดีนะอุบัติเหตุคนที่ฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยจานวนมากเลยใจร้อนแต่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อใจร้อนก็พูดไม่ออกเหมือนกันบางทีคนที่เรียนกับหลวงพ่อมันจนํานวนมหาศามดลมหสานวนมันมากหัดเจริญสติเจริญอะไรเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุนะจิตมันตีดผางออกมาเลยนะ กายกับจิตนี่แยกออกจากกันเลยเนี่ยรถกำลังหมุนติ้วติ้วติ้อยู่ไม่ตกใจสักนิดเลยนะจิตมันเป็นคนดูเห็นร่างกายกำลังหมุนไปหัวกาลังอยากโขกผนังรถ ด, ด้านนี้แล้วหลบซะหน่อยเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรนะมันอัตโนมัติไปหมดเลยเมื่อก่อนมีคนแถวเมืองชนแถวอะไรนะไปที่วัดหลวงพ่อไปถึงขอเหรียญขอเหรียญเหรียญอะไรวะไม่เคยทำมไม่มี เนี่ยก็โกรธเลยว่าหลวงพ่อไม่ให้ก็ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยไปลดความลหง่ายแล้วไม่เป็นอะไรพวกโท่มันจะเป็นอะไรมันมีสติดีสมาธิมันดีจิตมันดีดออกมาเป็นคนดูนะช่วยตัวเองได้มันไม่ได้ตกใจกริดกลั้นขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคนทั่วไปตกใจนะแทนที่จะเหยียบเบรกก็เหยียบคันเร่งเหยียบมั่วไปเลยหรือเหยียบเบรกก็เหยียบโครมครามทีเดี๋ยวลดความไปเลย คนซึ่งมันมีสติมันรู้จักแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยอะไรยเงี้ยนะไม่เหยียบโครมเดียวเอาตัวรอดไดนะ้นี่มันฝึกนะมันใช้ได้สารพัดเลยเวลาจะเจ็บเวลาจะตายใช้ได้หมดนะแต่เดิมนึกไม่ถึงเลยว่าพ่อแม่จะตายเนะี่ยใจจะเป็นอุเบกขานะใจมีความสงบมีความสุขอยู่ได้นะคนที่เรารักจะตายนะถ้าไม่ได้เคยฝึกเลยล้ว เ, เศร้าใจตายเลยนะทุกข์มาก ได้ฝึกกรรมฐานนะกระทั่งพ่อแม่เราที่เรารักจะตายนะใจเราก็ยังสงบสุขอยู่เราก็รู้มาก่อนแล้วนะว่าทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวพ่อแม่เราก็อยู่ชั่วคราวนี่ั่นะฝึกไว้นะถ้ามันดีทุกอย่างนะในทางโลกโลกก็ใช้ได้นะในทางจิตใจเราก็จะดีงามขึ้นเรื่อยๆไม่เคยมีศีลก็จะมีศีลไม่เคยมีสมาธิก็จะมีสมาธนะิไม่เคยเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราก็จะเห็นขึ้นมานะในชีวิตเราจะเปลี่ยน ในเวลาที่ไม่นานเกินไปครับนะวันนี้ฟังเท่านี้ก็พอแล้นะสังเกตไหมพวกเราตอนเนี้บ่ายโมงนะพวกเรายังไม่หลับนะหลวงพ่อเนี่ยเทศนะใครหลับได้เนี่ยอัจฉริยะเลยคือ <c ười> หลับสิเราจะแกล้งคุยด้วย <c ười> มีอยู่ข่าวนะ่นเทศมายาไรแห่งหนึ่งเขาบังคับเด็กมาเรียน <c ười> เด็กไม่ได้อยากฟังเลย เด็กผู้หญิงเดินมาถึงก็ลงนอนหลวงพ่อบอ๋อบางอาจมันนอนต่อหน้าเรา <c oughs> <c oughs> ให้เราเทนให้ให้คนนอนหลับฟังหลวงพ่อก็พูดพูดสักพักหนึ่งแล้วก็สอนเนี่ยเวลานะเราไม่ได้ฝึกตัวเองนะเวลาหลับเนี่ยเราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะ บางคนเป็นสาวเป็นนางแท้ๆนอนหลับอ้าปากน้ำลายไหลมันสะดุ้งเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วมันไม่กล้าหลับอีกเลยอ <c oughs> อ่ะ่ะพอสมควรนะไปฟังซีดีนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นไปต้องบอกอีกซีดีหลวงพ่อนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไปเปิดซีดีเพลงแล้วเอาชีวิตไม่เห็นจะดีขึ้นเลย <c oughs> อ่ใครจะส่งกันบ้านเชิญ รรการมิธีมรกหลวงพ่อครับวันนี้ส่งการบ้านเป็นครั้งแรกครับปกติอยู่ที่บ้านจะปฏิบัติด้วยดูลมหายใจแล้วก็จะดูเวทนาเป็นคนขี้โมโหหน่อยครับขี้โมโหไม่เป็นไรหรอนขี้โมโหมีบุญเพราะว่าจิตที่มีโทสะเนี่ยเป็นดูง่ายที่สุด เวลาที่เราจะดูเวทนานะเราต้องทําสมาธิก่อนถูกแล้วครับถ้าไม่มีสมาธิดูเวทนาไม่ได้จิตจะทุน ร, รนทะุรไลเวลาดูเวทนานี้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะเวทนาแต่ดูเพื่อให้เห็นว่าไกลก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้เป็นอีกส่วนหนึ่งบางคนไปดูเวทนาหวังจะชนะเวทนาไม่ใช่วัตถุประสงค์นะเราต้องการเห็นไตร ล, ลักษ งันเวทนาเกิดขึ้นเห็นเป็นเรื่องปกติเวทนานดับไปก็เป็นเรื่องปกตินะจิตใจขณะนี้เป็นปกติไหมเป็นครับจิตใจปกติเหมือนตอนนี้หรือเหมือนไหมตอนไหนครับจิตใจตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อ ก, กับตอนเนี้ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับเออถ้าไม่เหมือ น, นใช้ใชได้ตอนนี้มีปิติครับ น, น, นะให้รู้ทันนะมันครอบใจเราปิติครอบใจเราก็รู้ทันดีครอบใจก็ไม่ได้นะ ถ้าดีครอบใจเราก็มันก็พาเราไปเกิดดีนะจะยังเวียดเกิดอีกให้รู้ลงไปจิตมีปิติก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้นะรอย่าให้มันครอบไปทำต่อไปดีแล้วกรา บ, รบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะตอนนี้ทำรูปแบบเดินจงกรมอยู่อาครหลวงพ่อมิซ า, าเดินจงกรมจงกมรมแปลว่าเดิน เดินจงกรมว่าเดินเดินจังกรระมวะ่าก้าไปจงกรมก้าวไปด้วยความรู้สึกตัวนะงนเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเดินตรงนี้ถึงตรงนี้นะทุกก้าวที่เดินรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเราเดินไปเดินไปใจหนีไปรู้ทันนะก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนี่แหละมันทํางานของมันไปเรื่อยเื่มันไม่ใช่ตัวเรา ฝึกอย่างนั้นแหละใช้ได้ดีละขอกันบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะไ ม, ไม่ได้เดินเอาดีเอาสุ่เอาสงบนะดเดินเอาให้เห็นความจริงของกายของใจอย่าง น, นี้ถึงจะเรียกว่าดีไปทำเอาค่ะสาธุค่ะเรานักดูเวทนาใจลอยซะแล้วตาบนมิต ก, การหลวงพ่อค่ะดูช้ยกใหม่อย่างนี้ยกใหมต่ตั้งๆเออดูกายดูจิตดูเวทนา แต่ถ้าดูเวทนาแล้วเฉยๆนี่จะเป็นการกดข่มหรือเปล่าคะคือมันไม่ใช่ดูเอาอเฉยนะไม่ใช่ดูจนจนทั้งชินเจ็บแค่ไหนฉันก็เฉยอะไรนไม่ใชนะ่เราต้องไม่ประคองจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติของโยมรักษาจิตให้นิ่งหรือเปล่ารู้สึกไหมจิตของเรานิ่งกว่าคนทั่วๆไปเพราบางครั้งจะรู้สึกว่าตัวเองติดเฉยนั่นแหละนั่นแหละ น, นละนต้องแก้ตัวนี้ซะ อันนี้คืออาการที่จิตติดสมถะถ้าจิตติดนิ่งติดเฉยนะ้ะจะไม่เดินปัญญาจริงเราจะเห็นว่าทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์นะร่างกายก็เป็นไตรลักษณ์เวทนาก็แสดงไตรลักษณ์แต่ตัวเนี้เที่ยงจิตเนี้ยเที่ยงยังเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งคือจิตนะคลายออกแตอย่าไปจงใจรักษามันนะะนึกถึงสมัยยังเด็กที่ยังพอวนามไม่เป็นนะจิตอย่างนั้นแหละดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่นิ่งเฉย จิตเด็กไม่นิ่งเนื้อออกไหมเออจิตอย่างนั้นแหละดีถ้าจิตนักปฏิบัติแบบผิดๆนะั่งก็จะนิ่งอย่างนี้ทำหน้าให้ดูเนี่ยบางคนไม่นิ่งแต่จิตนะร่างกายก็นิ่งด้วยตรงว่าหิวน้ำต้องดูก่อนบางคนต้องถามนะจำเป็นต้องกินไหมเออจำเป็น <laughs> จำเป็นแล้วจะกินละหันเร็ก็ไม่ได้เดี๋ยวว่ามีโลภ สามชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินน้ำนะไตาวายไปก่อนนะไม่ต้องทําอะไรให้ผิดธรรมดานะอย่าไปรักษามันกล้าวกล้าไหมค่ะแล้วเป็นคนใจร้อนเครียดบ่อยอ่ะค่ะเออใจร้อนน่ะดีเราใจร้อนนะอย่าไปรักษามันเห็นไหมว่าใจเนี่ยไม่คงที่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็ น, นอย่าไปรักษามันแค่ไม่ผิดศีลห้าเท่านั้นเอง แ ต, แต่สติยังตามไม่ค่อยทันนะคะอย่าทันถ้าทันแล้วกิเลสไม่เกิดนะให้มีกิเลสขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอาว่ากิเลสเกิดแล้วนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะราคะเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะโทสะเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามีโทสะนะไม่ต้องทันตามรู้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้ ปฏิบัติถูกแล้วนะคะไม่ถูกถ้าถูกมันจะไม่นิ่งถ้านิ่งมันไม่ถูกนะไปปรับซะนะ <c oughs> อย่าไปเอาเฉยเ <c oughs> ด็กกับหลวงพ่อต้องทนนิดนึยนะหลวงพ่อตรงไปตรงมา <c oughs> ไม่มีโอโอลมปฏิลมกาบนรรมการเจ้าค่ะมีความสุขดูออกเปล่าหือแม่ชีเจ้าค่ะมีความสุขไหม ใจเป็นยังไงก็มีความสุขความทุกข์จ้ะค่ะถู ก, ถกต่อเป็นธรรมะ <c oughs> ถ้ามีความสุขอย่างเดียวไม่เป็นธรรมะหลวงพ่อให้การบ้านไม่ชีไปให้ดูความสุขความทุกข์ความเฉยไม่ชี้ปฏิบัติไปแล้วไปถูกทางหรือเปล่ไปนะไม่ชีรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าจิตใจเราเปลี่ยนไปรู้สึกตัวจนะ้ะค่ะโอ้นั่นแหละใจมันรู้ใจมันตื่นใจมันเบิกบาน ห น, หน้าตาเราก็เปลี่ยนดูออกไหมจะค่ะหน้ายังเปลี่ยนเลยนะสาวกว่าเก่าเอาพูดจริงๆนะไม่ได้จีบแม่ชีหรอกเวลาเราภาวนาหน้าตาเราจะผ่องใสนะใสสว่างหน้าตาจะดีกว่าเก่าทุกคนนะไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรอกะบางคนหน้าหน้าตาเหมือนกับถูกใครเขาสาบมาดูไม่ได้เลยนะแต่พอภาวนาสติเกิดอะไรเกิดนะ หน้าตาดูดีอ่ะแม่ชีปฏิบัติถูกต้องแล้วแม่ชีขอถวายปฏิบัติบูชาเจ้ค่ะเาขทุนะแม่ชีภาวนาดีเชียวละใช้ได้อะกันบ้านแม่ชีต่อไหมเจ้าคะดูต่อดูเท่านี้แหละดูดูมีสุขก็รู้มีทุกก็รู้เฉยๆก็รู้แค่นี้แหละเป็นพระละหันได้นะสาธุเจ้าค่ะภาษาลิบุตรที่เรียนเรื่องเวทนานะเรามาดูพระลรหันฟังเรื่อง การจำแนกเวิทนาหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ไม่ชีเป็นเป็นลูกศิษย์หลวงวัดพระธาตุโกดแกวโอ้แม้ยังก็สอสอเนี่ยประกาศสังสังกัดพักนั้นพักนี้ยังขาดแต่ไม่ได้บอกชื่อนะต่อผมนายนี้พักนี้ค่ะน้อมสักการหลวงพ่อค่ะหนูส่งการบ้านครั้งที่สองค่ะ ครั้งแรกเมื่อสักปีครึ่งที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกให้หนูไปจับหลักให้แม่นหนูก็เลยคิดว่าหนูก็พยายามฟังทุกวันพยายามจะจับหลักอะค่ะก็เห็นไหมว่าเราเปลี่ยนก็เห็นอยู่นะค่ะทำถูกแล้วละ่ะแต่ที่หนูสงสัยคือหนูว่าหนูบางครั้งหนูเห็นใจรักแล้วแต่ว่าอ่าเหมือนบางทีฟังซีดีแล้วไม่เหมือนคนอื่นอย่างค่ะอะไรนะอย่างเช่นแบบ เวลาหลวงพ่อพูดว่ามันจะต้องอผุดขึ้นกลางอกหนูไม่เคยรู้สึกแต่ละคนไม่เหมือนกันน ะ, ะเราเวลาฟังหลวงพ่อสอนเฉพาะตัวเอามาดูของเราไม่ได้แต่ละคนมันต่างกันเราไม่เห็นตรงนั้นก็ช่างมันแล้วมีอีกอย่างหนึง่งคือบางทีหนูอย่างเมื่อกี้ตื่นเต่แล้วหนูจะมีที่ที่แบบเข้าไปแล้วมันสบายใจแต่ก็ยังรู้ตัวทาอย่างนั้นได้ไหมคะทำอย่างไงนะ มันจะมีบางบางทีที่เราอย่างตอนนี้สบายใจคือหนูเข้าไปได้อะค่ะบางทีตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เอาไ ม, าไม่ไม่ควรเขาไม่ควรทํานะอย่าเว้นจําเป็นจริงๆอ่ะฉุกเฉินจริงๆนะถ้าเกิดไปตายอยู่ตรงนี้ไปเกิดอีกเลยค่ะเป็นพบพบหนึง่งเราเราไปสร้างพบพบหนึ่งเอาไว้เป็นหลุมหลบภัยนะ<ม>แล้วก็อยู่ดูมันดีกว่าดีกว่าหลบนะค่ะ ยกเวทมันไม่ไหวจริงๆมันเจ็บมากจริงๆนะถ้าไม่หลบตรงนี้แล้วสติแตกก็หลบเข้ามาแต่ถ้ายัางดูได้เราก็ดูมันไปแม่ชีภาวนานได้ดีนะแต่อย่าไปบังคับตัวเองนะมันเริ่มบังคับเป็นระรอกๆะอกเพื่อให้ดีดชีโมโหไหมหนูเนี่ยก็โมโหค่ะเมื่อกี้ขับรถมาก็โมโหมแล้วก็แต่รู้ทันช้าไปหน่อยค่ะ <laughs> ให้โมโห ก, ก่อแล้วรู้ใช้ได้ค่ะอะต่อไปหนูขอถวายการปฏิบัติให้พระพุทธพระเจ้าพระธรรมแล้วก็หลวงพอ่อแล้วก็พระสงฆ์เ น, นี่ยท่านอาจารย์สมชยัยอาจารย์แม่ชีน้ําเกีย้ยถวายการปฏิบัติให้หลวงพอ่อไม่ให้อาจารย์เลยนะ <c oughs> <c oughs> อย่างเนี้ยเขาเรียก <c oughs> <c oughs> ยุให้แตกแยกน <c oughs> บ, บุญบุญน้าอยู่กับอาจารย์สนทดีแล้วแม่ชีพอนาดีถูกใจหลวงพ่ออะว่ามามกลับแล้วมาเสกการหลวงพ่อคะ่ะหนู เ, เริ่มฟังเีหลวงพ่อตอนเดินเมษายนปีนี้คะ่ะแล้วก็ลองปฏิบัติดูสิตดูอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากดูว่ามันดยใช้ได้เนี่ยเห็นกิเลสบ่อยไหมล่ะเห็นนะค่ะ เวลากิเลสเกิดเรารู้ทันแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว<ฮ>ะนะไปดูบ่อยๆค่ะแล้ววิหารธรรมก็เป<ม>็นด<ม>ูจ<ม>ิตเนี่มใ้่ไหมใช่ดูไปเลยน<ฮ>ะคะเราจะเห็นนะต่อไปเราเห็นว่าตัวอย่างชั่วคราวเริ่มรู้สึกบ้างไหมอ่<ฮ> ะ, <น>ะรู้สึกว่าชั่วคราวเออนะต ว, วันใดที่ใจยอมรับเนะ่ยวนนั้นความทุกข์จะหายไปเยอะเลยอะไรๆในชีวิตนี่ชั่วคราวหมดเลยน ะ, นะต่อไป ขอบคุณค่ะครับกาบธรรมสการหลวงพ่อนะครับผมเริ่มภาวนาตอนนี้ก็จะครบหนึ่งเดือนนะครับก็คือการเดินนอนนั่งหลับรู้ตัวรู้กายตลอดเวลานะครับ <c oughs> แล้วก็จิตรู้ทันกิเลสต่างๆที่ก่อให้เกิดกรรมตามมาครับโดยปกติเป็นคนใจร้อนครับ <c oughs> พอเริ่มภาวนาก็รู้สึกว่าตัวเองสามารถดับ ดับที่จิตเราได้ครับดูว่าเออกายเราตอนนี้เรากําลังรู้สึกว่าเรากําลังโมโหนะอย่างนี้นะอ่เราก็ดับตรงนี้ได้ครับเราไม่ได้เรียนเพื่อจะดับมันนะนะแต่เราเรียนเพื่อจะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับได้มันดับของมันเองเราไม่ได้ไปมุ่งไปดับมันหรอกนะถ้าเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเพรเนนั้นถูกต้อง แต่ว่าถ้าเห็นแล้วเราโม่งไปควบคุมมันจะไม่ถูกนะครับอย่างเช่นกิเลสเกิดแล้วเราหาทางดับมันอันนี้จะไม่ใช่ะอยากจะมาขอการบ้านเพิ่มนะครับภานาไปนะทําได้ดีแล้วล่ะยังไม่ถึงเดือนทําได้ขนาดเนี้ครับดีครับของครับฟังซีดีไปนะนภาสการเขาหลวงพ่อคราที่แล้วที่แบบจิตมันหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็จิตยมเขาจะแบบจะโดนนิวรนเล่นงานนะหลวงพ่อแล้วมันก็จะ เขาจะคล้่งครวนแบบเห็นแต่ความทุกข์แล้วก็เขาไม่มีความสุขเนี่ยค่ะลุงพ่อจิตเขาไม่เป็นกลางกับความทุกข์เขาเกลียดความทุกข์เนี่ยค่ะลุงพ่อค่ะอืมจิตใจใครเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแล้วแบบมันแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าจะมีแรงกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงอะค่ะถูกแล้วล่ะไปทําต่อค่ะนมัสการค่ะนมัสการค่ะเห็นหรือเปล่าว่าเราเปลี่ยนไปมากนะเปลี่ยนไปมากเลย แต่ทั้งหน้ายัางเปลี่ยนเลยรู้สึกไหมร้สึะเห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วก็พาวนาเป็นหน้าตาจะเปลี่ยนนะไม่เหมือนมนุษย์หรอกมีตรงไหนที่หนูควรไปดูอย่าใจร้อนมันเท่านั้นแหละ <c oughs> อย่าคิดว่าพาวนาแล้วจะเอาน้นเอานี่ได้นะเราบังคับมันไม่ได้ใจเย็นๆดูมไปเรื่อยๆดูไปสบายใจ มันรู้สึกเหมือนสมาธิไม่พอค่ะให้รู้ว่าไม่พอนะแล้วหงุดหงิดว่าสมาธิน้อยให้รู้ว่าหงุดหงิดนะเนื้อใจเรามันร้อนไปค่ะกล่าวหลวงพ่อครับเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปพัฒนาบารามีขึ้นมาครับก็กลับไปปรับปรุงตัวมาใหม่รู้สึกไหมว่ามันมีแรงมากขึ้นเข้าใจแล้วครับดีท<ด>ุก ว, วันนี้เราจเจริญสติไปเรื่อยๆนะ แต่าบารมีเราไม่พอเนี่ยมันไม่ตัดก<ะ>ับเพราะมันไม่มีพลังการสร้างบารมีไม่ใช่ต้องทำอะไรเกินธรรมดามากมายน้องหรอกอย่างเราตั้งสัจจะอะไรไว้เราก็ต้องพยายามทําให้แปก็ทําตามนั้นนะครับนั่นแหละตอนนี้ปฏิบัติถวายพระพุทธเออต้องอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาครับแล้วก็เดินจงกรมถวายพระสงฆ์กับครูบาอาจารย์นะครับเออ ดีงั้นตรงพ่อไม่ต้องเดินมากล้วลู้สิธย์เดินแทน <c oughs> ทำถูกแล้วละใช้ได้จ<อ>ิตถึงฐานหรือเปล่าฝุ่งซ่านจิตไม่เข้าบ้าน<อ>ให้รู้ทันจิตอยู่ข้างนอกเรารู้สึกไปที่ไททอยอ๋อครับรู้สึกไป ม, กมันจะเข้าบ้านมันจะกดอยู่ครับมันเหมือนกับ โดนอะไรกดอยู่ที่ไต้ทอยนั่นแหละนะลองหลับตาดูรู้สึกไปข้างหน้าเราสว่างครับใช้แสงสว่างเนี่ยไล่ไปที่ไต้ทอยไม่ต้องออกแรงนะรู้สึกไปสบายๆรู้สึกไปเลเล่นๆอ๋อไล่ไล่ไล่สิ่งที่แปลกปลอบเข้ามาไม่ ห, หลุดออกไปมานมันกดนะครับใช่ ผมโดยลาปีกว่าถ้าภาวนาดีแล้วมันแกล้งออกไปผ่าตัดมาแอเพราะอย่างนั้นหมอแกล้งม่อยางว่ามานก็เลยช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็ดูสภาวะไม่ได้เลยเขาเนี่ยไล่กระดูกสันหลังไปนะไล่ไล่ไล่มันจะแข็งแรงขึ้นดูตั้งแต่แกนกาสมองอ่ะแานสมองอยู่ข้างในนะับคือ ฝึกดิญาบทสามอยู่เขาหลวงพ่อไม่รู้ว่ามันมันทำให้เราแบบไม่นอนนะเจ็ดวันหยุดเจ็ดวันครับมันมากไปผมตั้งสัจจะไปแล้วครับเอองั้นทำไปต <c oughs> ั้งไปแล้วก <c> า <oughs> <c oughs> รปฏิบัติมันมีหลายแนวนะไม่ได้ถูกเหมือนกันอย่างแนวที่โหดกับตัวเองมากๆเลยก็มีนะแนว ชื่อพระอะไรนะลืมนะ้พระนารกะพระนารกะมีองค์เดียวในศาสนาเนี้ยแล้วถ้าภาวนาตามแนวนี้อย่างวิกฤตเลยอุกฤษเลยนะจะตายอย่างรวดเร็วเลยนะแต่อย่างนี้ไม่ใช่แนวขนานะหรอกครับผมนะยังพิงกำแพงอยู่ครับเออไม่งั้นเดี๋ยวกระดูกจะเสียไปนะ ภาวนาัวจะฝึกมันทุกๆุกอิริยาบถส่วนการตั้งสัจจะเนี่ยตั้งแบบมีระยะเวลาครับเอาเวลาเท่าไหร่อ่ะตอนแรกจะตั้งช่วงเข้าพรรษาครับแล้วก็ตอนนี้ตั้งใจว่าจะทำหนึ่งปีก่อนครับ เ, เออเอออย่าตั้งนานนะขอบคุณครับบางองค์อดข้าวมากนะก็เพราะทะลุไปแทนที่จะได้ภาวนานนานเลย ได้พรหนานนิดเดียว <Yeah. S 2> อย่าให้มันตกไปข้างทรมานตัวเองนะเรา uh, ดูขันมันขันมันรับไหวก็ทำขันมันรับไม่ไหวนะก็ไม่ทำแต่ว่า mm hmm. ที่ฝึกมาเนี่ยมันทำให้จิตเข้มแข็งขึ้นมีพลังขึ้นนะถ้าครูบาอาจารย์ประเภทบูเระบอกลุยไปเลยตายก็ตาย mm hmm. แต่ก็ยังหยุดเจวันนะครับหลวงพ่อสลับกันให้ร่างกายมันพักบ้างเออได้พักบ้างต่อไปคงต้องอใส่ที่ที่เขาปลอกคออย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปฝึกแสงที่หลวงพ่อสอนครับเอออนั้นเอาไว้ไล่พลังที่ไม่ดีคก็พอเนะอ่ะหมดแล้วอ่ได้อีกคนนึงอ่ะกราบขอบพระคุณค่ะพอดีคราวที่แล้วที่ส่งที่วัดสวนดอกอ่ะค่ะแล้วพอดีเวลามันจำกัด มันมีข้อข้องใจที่จะถามหลวงพ่อว่าตอนที่ป่วยเนี่ยแล้วขนาดที่กำลังจะหมดสติไปเนี่ยค่ะตอนนั้นจิตเนี่ยมันมันไม่ไม่รู้สึกไม่หมายไม่ปรุงเลยแล้วมันก็ปิดสวิคดับไปเลยเนี่ยอยากทราบว่าตอนนั้นจิตไปไหนคะจิตลงภระวังแล้วถ้าเราสิ้นลมหายใจตอนที่จิตลงพระวังเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะขึ้นจากปวังมาแล้วก็ไปหาที่เกิดอใหม่อ๋อ หมายถึงว่าตอนนั้นเราก็ไปพบภูมิไหนก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะเราเลือกไม่ได้ละมันเหมือนเราฝันนะะนิมิตเกิดขึ้นนะจิตก็ไหลไปเพราะว่าตอนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเหมือนเปิดสวิ์ขึ้นมาใช่มันเหมือนเปิดสวิทเหมือนเปิดสวิทแล้วทีนี้มันก็เห็นการอย่างการกระทบอะไรเนี่ยค่ะเพราะเชื้อเชื่อแห่งการเกิดยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมคะออยู่อยู่ครบเลยค่ะตรงนี้ค่ะก็ก็รู้อยู่ว่ายังยังยังนั่นอยู่เพราะเห็นกระบวนการที่มัน ขึ้น ม, มาอ๋อโอเคค่ะกล่าบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะก็ได้ส่งกันบ้านกันไปครบทุกท่านแล้วนะคะลาดับต่อไปนะคะขอทุกท่านกล่าวคำถวายพร้อมกันเลยนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับพราารเพื่อประโยชน์พนเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลา ย, าาลายตลอดสิ้นกาลและแนานเทินรับผ่อนนะยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารัง เอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิตจตุสเปภูเรนตูสังกปาจันโทพนรโสยถามนิโชติระโสยทาสพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัทวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุทภาพจายโน จตาโรโธรรมาวัันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพลังปาธุปัจจัยลวงพ่อมอบให้โรงพยาบาล น, นะกองทุนอะไรนะผู้ป่วยกองทุนสำหรับผู้ป่วยอนาถาผู้ป่วยอน า, าถานะขอบพระคุณและอนุโมทนาด้วยค่ะสวดจีวรถวายท่านอาจารย์สมชายปาค่ะ <c oughs> <c oughs> ทางคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ปราโมทปราโมโชว์เป็นอย่างสูงที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมที่คณะแพทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะค่ะขอทุกท่านกราบลาหลวงพ่อพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบ